บางทีจะเป็นเครื่องเทียบให้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างดังนี้ในปริวีมังสนสูตรสั่งยุตตนิกายนิทานวัรมีพุทธพท์ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละอวิชชาได้วิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะสำลอกอวิชชาได้เพราะวิชาเกิดขึ้นเธอย่อมไม่ปรุงแต่งปุญญาพิสังขารไม่ปรงแต่งอปุญญาพิสังขาร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 จักเป็นของเย็นอยู่ที่นี้เองเปรียบเหมือนว่ามีเงาปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้คราวนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้ามาเขาตัดต้นไม้นั้นที่โคนครันแล้วขุดคุ้ยเอารากขึ้นโดยที่สุดแม้เท่าต้นแฝกก็ไม่ให้เหลือเขาตัดผาต้นไม้นั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เป็นซิกซีก่